มิตรใดชักนำให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็เป็นมิตรดีมิตรแท้เรียกว่ากัลยานมิตรมีบ่อยๆที่มิตรชนิดในเรือนคือมารดาบิดาหรือแม้แต่ครูอาจารย์มีอิทธิพลชักนำทิฏฐินี้น้อยกว่ามิตรชนิดเพื่อนที่คบหาเที่ยวเล่นจุมนุมด้วยกันแต่บางครั้งปรากฏว่าแม้แต่มิตรชนิดชิดใกล้นั้นกลับมีอิทธิพลน้อยไปกว่ามิตรชนิดตัวอยู่ไกล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 ก็ได้แก่ความเชื่อความเลื่อมใสความนิยมชมชอบความทราบซึ้งใจที่เรียกว่าศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วหรือทำให้เกิดศรัทธาได้แล้วถึงตัวมิตรจะอยู่ไกลไม่เดคลุกคลีก็มีอิทธิพลได้ถึงตัวมิตรจะอยู่ใก ล, ก ล, กลใ้แต่ถ้าไม่ศรัทธาก็หามีอิทธิพลชักจูงได้ไม่ดังนั้นท่านจึงถือเป็นหลักการว่า ผู้ซึ่งจะทำหน้าที่ชักนำสั่งสอนผู้อื่นให้มีความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นเป็นต้นอันถูกต้องควรจะต้องยังศรัทธาให้เกิดแก่ผู้รับฟังคำสอนนั้นได้พูดง่ายๆว่าหลักการเบื้องต้นข้อหนึ่งในทางการศึกษาคือการละยานามิตรเป็นปัใจจัยให้เกิดศรัทธาหรือจะพูดขยายออกไปอีกก็ได้ว่าการครบหาบัณฑิตหรือเสวนาสัตบุุษเป็นปัจจัยแห่งศรัทธา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 เรียกตามหลักวิชาคำเดียวว่ากรมมั ส, สกตายานอย่างที่ว่านี้แหลคือสัมมาทิฏฐิที่ได้เคยกล่าวถึงมาแล้วว่าเป็นโลกิยะสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิขั้นโลกีเกิดจากความรู้ความเข้าใจเหตุผลโดยอาศัยการอบรมสั่งสอนปลูกฝังสื บ, ส, บสืบกันมาในสังคมช่วยให้เกิดความประพฤติดีประพฤติชอบและการดาเนินชีวิตที่ดีงามทาให้สังคมสงบเรียบร้อย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 เมื่อสิ่งทั้งหลายมีสภาวะแท้จริงเป็นอย่างนี้เราควรมีท่าทีและปฏิบัติต่อมันอย่างไรการมีท่าทีแห่งการยึดมั่นถือครองอย่างไม่ลืมหูลืมตาหรือยกมอบชีวิตนี้ให้แก่การสแสวงหาขวาคว้าสิ่งเหล่านี้เป็นการถูกต้องแล้วหรือไม่มนุษยสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราต่างก็เป็นสังขารธรรมตกอยู่ใต้กติธรรมดาเดียวกันเป็นเพื่อนแก่เจ็บตาย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 จะเจริญขึ้นเป็นโลกุตระสัมาธิฏิได้ต่อไปสัมมาธิฏิอย่างแรกเรียกว่ากัมมัสกตาสัมมาธิฏิได้แก่กัมมัสกตายานความรู้ภาวะที่บุคคลมีกรรมเป็นของตนหมายถึงความรู้ที่พอรู้จักแยกว่าอันใดเป็นกรรมของตนหรือไม่ใช่นับเป็นความรู้ระดับที่ทำให้รู้จักรับผิดชอบการกระทำของตนที่ชาวพุทธไทยมักเรียกกันว่า กรรมสกตาศัท ธ, ธาเป็นสัมมาทิฏฐิระดับธรรมจรรยาหรือกุศลกรรมบทเป็นประโยชน์หรือจุดหมายชีวิตระดับทิฏธรรมิกะะและสัมปรายิกะทะแต่เป็นพื้นฐานของปรมัตต์ต่อไปส่วนสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองจัดเข้าในระดับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแต่บาลีเรียกสัจจานุโลมิกญาณแปลว่ายานคล้อยแก่สัจจ หรือความรู้ที่เข้าแนวสัจจะนำไปสู่การตัสรู้คือมุ่งตรงต่อปรมาติ์ต่อไปจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิตัวแท้ที่จะให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองซึ่งเป็นความรู้ที่เข้าแนวสัจจะชาวพุ้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่คิดจะเข้าถึงจุดหมายสูงสุดหรือยังไม่คิดก็ตาม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 เป็นวิธีลดการเบียดเบียนแย่งชิงและความทุกข์ความเดือดร้อนของโลกที่ได้ผลแท้ยิ่งกว่าวิธียับยั้งบังคับหรือเหนี่ยวรั้งใจในระดับที่เรียกกันว่าศีลธรรมเป็นผลดีทั้งแก่ตนและแก่สังคม